จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันสุกร์ที่สีก่กรกฎาของพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฝังธรรม วันดูแลรักษาจิตใจเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราจิตใจเป็นใหญ่จิตใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่ใจเกิดด้วยใจและเกิดเพื่อใจถ้าใจได้รับการดูแลรักษา อย่างถูกต้องใจก็จะนาความสุขความเจริญมาให้แก่ชีวิตของพวกเราถ้าใจไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องใจก็จะได้รับความทุกข์ได้รับความเสื่อมเสียพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมวสวนะขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจ ทางร่างกายทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้มาทำภารกิจทางด้านจิตใจเพราะใจนี้มีความสาคัญมากกว่าร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายเพราะร่างกายเป็นของชั่วกลาวสิ่งที่ด่างกายได้รับมา ก็เป็นของชั่วคราวเช่นราบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจนี้เป็นของถาวรสิ่งที่ใจได้ก็จะเป็นสิ่งที่ถาวร <c oughs> ดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญแก่ใจยิ่งกว่าร่างกายเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้ ยิ่งใหญ่กว่ารุนแรงกว่ามีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นเพียงหนึ่งในสิบของความสุขความทุกข์ของใจถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม่ร่างกายจะมีความทุกข์มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เป็นปัญหา จะไม่ได้ทำให้ใจเดือดร้อนหรือทุกข์ใจเลยถ้าร่างกายมีความสุขแต่ใจมีความทุกข์ความสุขของทางร่างกายไม่สามารถกาจัดความทุกข์ของใจได้นี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วได้นําเอาความรู้นี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ยังไม่รู้เพื่อให้พวกเราได้รู้กันแล้วเราจะได้หันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจของพวกเราใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายร่างกายมีวันแก่วันเจ็บวันตาย แต่ใจนี้ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายเวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไวต่อไปถ้าทำบุญก็ได้ไปสู่สุคติถ้าได้ถ้าทำบาป ก, ก็ไปสู่อบายนี่คือที่ไปของใจหลังจากที่ร่างกาย ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีลมหายใจแล้วใจก็ไม่สามารถอาศัยร่างกายได้ต่อไปใจก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบาปที่จะพาให้ไปสู่ภพต่างๆต่อไปถ้ามีบุญพาไปก็จะได้ไปตั้งแต่ภพของมนุษย์ขึ้นไปได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดา ได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าตามนัดับตามกำลังของบุญที่ได้สร้างเอาไว้ถ้าบาปพาไปบาปก็จะพาไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกนี่คือเรื่องของใจที่พวกเราไม่รู้กัน และไม่สนใจให้ความสำคัญเพราะถูกความหลงครอบงำจึงหลงให้ความสำคัญต่อร่างกายให้ความสำคัญต่อสิ่งที่ร่างกายจะหามาได้คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาได้มาก็ต้องมาพบกับความเสียอกเสียใจพบกับความไม่สบายใจ พรสิ่งที่ได้มานี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะอยู่กับเรานา น, านก็ได้อาจจะไม่อยู่กับเรานา น, านก็ได้เวลาไม่อยู่ก็เสีย อ, อกเสียใจแล้วก็ต้องไปหามาใหม่หามาใหม่ก็เป็นแบบเดียวกันหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเท่านั้นนี่คือใจของพวกเราที่ได้รับผล คือความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจความวุ่นวายใจซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราสบายสิ่งที่ทำให้ใจเราสบายก็คือบุญกุศลอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความสบาย สิ่งที่ทำให้ใจของเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจคืออะไรก็คือการไปยึดติดอยู่กับร่างกายการไปอยากมีลาภยศสารเสริญอยากมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมือ น, นี้แหละที่ทำให้ใจของเราทุกข์ใจของเราวุ่นวายกันเพราะพระเจ้าจึงต้องดึงพวกเรา ให้ออกจากการหาสิ่งต่างๆอย่างวันนี้วันพระก็ให้มาวัดกันมาหาบุญมาหากุศลกันเพราะบุญกุศลจะทำให้สุขใจสบายใจจะทำให้ความทุกข์ใจความวุ่นวายใจเบาบางลงไปน้อยลงไปและหมดไปได้ไหนที่สุดท่านสอนให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาเพราะนี่แหละคือบุญกุศลที่จะให้ใจของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสง่าผ่าเผยมีหน้ามีตาที่แท้จริงอยู่ที่การทำทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การ จเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาทานนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับอาหารของใจเวลาเราทำทานแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่ม อ, อกใจเวลาเราให้ความสุขให้ความอิ่มก่บผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยมนำอาอาหารอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาถวายพระพระก็จะได้รับอาหารรับประทานแล้วก็จะมีความอิ่มกายส่วนผู้ให้คือญาติโยมก็จะได้ความอิ่มใจทาทานการทำทานนี้จึงเป็นเหมือนกับอาหารของใจแล้วญาติโยมก็มารักษาศีลกันเมื่อกี้ก็สมาทานศีลห้า สีนนี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใช้สวมใส่นั่นเองถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าที่สวยงามใส่ร่างกายเราล่อนจ้อนก็ไม่น่าดูเวลาเราออกจากบ้านนี้เราต้องมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามเราถึงจะกล้าออกจากบ้านกันแต่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใช้สวมใส่กับร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นความสวยงามของ เราอย่างแท้จริงเพราะถึงแม้ว่าเราจะใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแต่ใจเราอาจจะไม่สวยงามก็ได้ถ้าใจเราโกหกหลอกลวงถ้าใจเราประพฤติผิดประเวณีลักทรัพย์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสพสุรายาเมาเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาให้ความสำคัญไม่เห็นว่าสวยงาม ถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนแต่งเนื้อแต่งตัวทำเผ้าทำผมให้สวยงามขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีใครที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยมีใครอยากจะคบกับคนที่ข่าว่ามีใครอยากจะคบกับคนที่โกงบ้างลักทรัพย์ของผู้มีใครอยากจะคบกับคนที่ ประพุดผิดประเวณีบ้างชอบไปยุ่งไปเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้มีใครอยากจะคบกับคนที่โกหกหลอกลวงบ้างมีใครอยากจะเข้าใกล้คนเดิมสุรายาเมาบ้างนี่คือความน่ารังเกียจของคนไม่ได้อยู่ที่หน้าตาไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่แต่อยู่ที่ใจ ว่ามีศีลหรือไม่ถ้ามีศีลเนี่ยเช่นวันนี้ญาติโยมสมาทานศีลห้าการมีศีลห้านี่แหละเป็นการรับรองความเป็นมนุษย์ของพวกเราเพราะมนุษย์นี้จะต่างจากเดรัจฉานเดรัจฉานนี้จะไม่มีศีลห้าเดรัจฉานจะไม่รู้ว่าการทำบาปการรักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณี การโกหกหลอกลวงการเสพสุรายยาเมานี้เป็นความประพฤติที่จะทำให้ตนเองเสื่อมเสียแต่เราเป็นมนุษย์เรามีปัญญาเราฉลาดกว่าเดรัจฉานเราจึงต้องรักษาศีลกันถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์อยากจะมีเสื้อผ้าที่สวยงามและสวงใสเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้ แล้วเราก็จะได้เป็นคนดีคนที่น่ารักมีคนอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือความสวยงามของจิตใจสวยด้วยสีไม่ได้สวยด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ได้สวยด้วยการเสริมสวยทางร่างกายแต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผมขอให้เราอย่าไปสนใจกับเรื่องของทางร่างกายมากนะัก พราะเป็นเปลือกไม่ใช่เป็นเนื้อหนังของพวกเราเนื้อหนังของพวกเรานี้คือใจและสิ่งที่จะทําให้ใจของเราสวยงามเป็นที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือก็คือศีนนีอ่อย่างญาติโยมคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะท่านเป็นผู้ที่สมศีนนั่นเอง เวลามาบวชท่านต้องรักษาศีลถึงสองข้อด้วยกันนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรากราบไหว้บูชาคารมนับถือเพราะการประพฤติ ท, ที่ดีทางกายและทางวาจาที่เรียกว่าศีล น, นี่ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารมน่ากราบไหว้บูชา ก็ขอให้เราพยายามรักษาศีลห้าไวให้ได้พอเรารักษาศีลห้าได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ควรที่จะรักษาศีลแปดเริ่มต้นด้วยการรักษาในวันพระเพราะถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราจะยกระดับความสวยงามของเราให้สูงขึ้นสูงจากมนุษย์สูงจากเทพให้เป็นพรหมขึ้นมาได้ ให้เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาได้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมอยากจะเป็นพระอริยบุคคลต้องรักษาสิงห์แปดให้ได้เพราะการรักษาสิงแปดจะสนับสนุนให้เราเจริญสมาธิและเจริญปัญญาได้ถ้าเราอยากจะไปเป็นพรหมเราต้องทำใจให้สนบให้เป็นสมาธิให้เป็นฌาน ถ้าใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขความสุขที่สูงกว่าความสุขของมนุษย์สูงกว่าความสุขของเทพเรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายในโลกนี้มนุษย์เหล่านี้หาความสุขได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิพภัณฑ์จากราบยศสรรเสริญแต่ความสุขเหล่านี้ สู้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้เวลาใจสงบจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สูงที่สุดที่ใครที่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจะหาได้ความสุขทางสมาธินี้เป็นความสุขที่สูงสุดแต่เป็นความสุขที่ไม่ถาวร เป็นความสุขชั่วคราวเช่นเวลาตายไปถ้าเราได้สมาธิเราก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ชั่วระยะหนึ่งพอกําลังของสมาธิหมดไปใจของเราก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นเทวดาพออยู่ชั้นเทวดาได้สักระยะหนึ่งพอบุญของเทวดาหมดไป ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่เพื่อให้กลับขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าอยากจะไม่ให้สวรรค์ชั้นพรหมเสือ่อมให้สวรรค์ชั้นพรหมนี้สูงขึ้นไปกว่าเดิมก็ต้องปฏิบัติทำขั้นที่สี่คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้ ก็เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ลืมตาขึ้นตอนนี้ตาของพวกเราบอดกันมองไม่เห็นสัจธรรมความจริงสี่ประการคือทุกสูุไทยนิโรธมากว่าอยู่ภายในใจของเราไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากอะไรไม่รู้วิธีแก้ความทุกข์ใจของเราแก้ได้อย่างไร เราจึงต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตัดสรูความจริงอันนี้แล้วพอท่านรู้แล้วท่านก็จะมาสั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อให้เราได้รักษาความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิให้สงบต่อไปอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อมเนะพราะท่านได้พบความจริงแล้วว่าเหตุที่ทำให้ ความสุขที่ได้จากสมาธินินเส่อมไปก็คือความอยากต่างๆนี้เองคือตัณหาความอยากในกลางเรียกว่ากามตัณหาอันนี้ถ้าเราเกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากแตะต้องสิ่งต่างๆด้วยร่างกายของเรา อันนี้ก็จะทำให้ความสุขที่ได้จากสมาธิเสื่อมไปเช่นเวลาเราออกจากสมาธิมาพอเราเห็นตู้เย็นก็อยากจะเปิดหาอะไรกินเห็นโทรทัศน์ก็อยากจะเปิดดูเห็นโทรศัพท์มือถือก็อยากจะกดเรียกคุยกับเพื่อนและการอยากเหล่านี้ก็จะทำให้ความสุข ที่ได้จากสมาธิหายไปถ้าอยากจะรักษาความสุขเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปก็ต้องฝืนความอยากอย่าทำความอยากอย่าทำตามความอยากให้มองให้เห็นว่าความสุขที่ได้จากการทาตามความอยากก็เป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขพอหลังจากนั้นไม่นาน ความสุขนั่นก็หายไปก็ทำให้เกิดความอยากต้องดื่มต้องรับประทานใหม่ก็ต้องติดอยู่กับการดื่มกับการรับประทานเพื่อให้เกิดความสุขแทนที่จะไม่ต้องทำอะไรแล้วมีความสุขคือทำใจให้สงบแล้วรักษาความสงบมันไว้ด้วยการไม่ทำตามความอยาก นี่คือปัญญาหรือแสงสว่างแห่งธรรมที่พวกเราควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วอย่าปล่อยให้ใจไปทำตามความอยากบอกว่าสิ่งที่อยากได้นี้เป็นเหมือนยาเสพติดเป็นเหมือนยาพิษเพราะจะทำลายความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใจให้หมดไป แล้วจะทำให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ที่เรามาเกิดในชาตินี้ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลถพพะเราจึงต้องมาหาร่างกายที่มีตาหูจมูกไว้เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีตาก็ไม่สามารถดูรูปได้ ถ้าไม่มีหูก็ไม่สามารถฟังเสียงได้ถ้าไม่มีลิ้นก็ไม่สามารถสัมผัสกับรสชาติต่างๆได้ถ้าไม่มีจมูกก็ไม่สามารถดมกลิ่นต่างๆได้ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถแตะต้องสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้ความอย่างนี้แลจึงทำให้เราต้องมาเกิดและการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่า เรารักษาศีลห้าไว้ได้นั่นเองถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้เราก็ต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานเช่นร่างกายของสุนัขของแมวของนกของเป็ดของไก่ของปูของปลาแล้วก็เสบรูปเสียงกลิ่นลดผลผลิตพะในแบบของสัตว์เดรัจฉานไปสัตว์เดรัจฉานก็เสบแบบไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ เวลาอยากจะเสกการมกับใครก็ไม่สนใจไม่รับรู้ว่าคู่ครองนั้นคู่ที่จะเสกนั้นมีคู่ครองหรือไม่นี่คือถ้าทำบาปไม่รักษาศีลห้าตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานก็รักษาศีลห้าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องตัดความอยากคือการมาตัณหาให้ได้ตัดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นให้ได้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อย่าไปเป็นอย่าไปอยากให้เป็นธรรมดาให้เป็นใจธรรมดาผู้รู้ก็พอการเป็นผู้รู้นี่ดีที่สุดสักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปยินดี ถ้ยินดีแล้วจะเกิดความอยากเห็นคนเขาเป็นใหญ่ก็อยากจะเป็นใหญ่เห็นคนเขาสวยก็อยากจะสวยเหมือนเขาเห็นเขาเรียนเก่งมีปริญญาก็อยากจะมีปริญญาเหมือนเขามีแล้วก็ต้องดิ้นหนุนไปหาสิ่งที่อยากได้มาได้มามากน้อยเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวอย่าไปหลง หลงแล้วทำให้เกิดความอยากเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่ได้จากสมาธิความสงบก็จะหายไปดังนั้นต้องต่อสู้กับความอยากต้องฝืนกับความอยากทุกชนิดแม้แต่ความอยากไม่อยากก็เช่นเดียวกันเช่นความอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนดูดาว่ากล่าวขารหชาหนึ่งชางต้องทําใจเป็นอุเบกขาวางเฉยร่างกายจะแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปชีวิตนี้จะทุกข์ยากลําบากยากจนก็ปล่อยมันทุกข์ไปยากไปใจไม่เป็นไรถ้าใจไม่มีความอยากใจมีความสงบ ใจจะไม่เดือดร้อนอย่างที่ได้พูดไว้ว่าถ้ามีความสุขทางใจแล้วความทุกข์ทางร่างกายจะไม่มีปัญหาต่อใจเพราะความทุกข์ทางละร่างกายนี้เป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งของความสุขของใจจึงไม่สามารถมาลบล้างความสุขของใจได้ถ้ามีความสุขของใจแล้วร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นปัญหา ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่เป็นปัญหาชีวิตเราจะตกทุกข์ยากลำบากหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความสงบมีความสุขดังนั้นอย่าไปทําลายความสงบความสุขที่เกิดจากการอยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้เมื่อต้องเป็นก็เป็นมันไป ต้องเป็นอะไรก็เป็นไปต้องแก่ก็เป็นไปต้องเจ็บก็เป็นไปต้องตายก็เป็นไปต้องทุกข์ยากลำบากอดอยากขาดแคลนยากจนก็ปล่อยให้มันเป็นไปพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่แบบคนยากจนเวลาท่านแก่ท่านเจ็บท่านตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านสบายใจของท่านสุขใจของท่านมีความสงบนี้เอง นี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาใจถ้าใจสงบแล้วใจไม่มีความอยากแล้วจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ในทุกวันนี้เราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเรากลับไปโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ทำให้เราทุกข์เช่นเวลาคนด่าเรา ว่าเราเราก็ทุกข์แล้วเราก็ไปโทษเขาว่าเขามาด่าเราความจริงความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ให้เขามาด่าเราเท่านั้นเองถ้าเราอยากให้เขาด่าเราแล้ว เ, เราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมเราจะสมใจเราจะดีใจเอ้ oh, วันนี้คนด่าเราเรายิ่งกำลังอยากจะหาคนด่าอยู่พอดีพอดีเขามาด่าเราเราก็จะสมใจเราก็จะสุขใจแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาดา่า พอเขาด่าเราเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราได้แล้วเราทุกข์ใจหรือเราเสียใจเวลาอยากจะให้เขาชมเราเวลาเขาชมเราแล้วเราเสียใจหรือเราทุกข์ใจเราสมใจได้สมใจอยากก็ต้องดีใจถ้าอยากจะสมใจอยากก็ต้องอยากให้เขาด่าเราหัดด่าตัวเราเองไปในใจก็ได้เราไม่ชอบคำด่าคำไหน เพราะว่าเราอีนั่นอีนี่ก็ด่าเราไปเรื่อยๆอีนั่นอีนี่ด่าให้มันฟังจนชินชาไปในใจต่อไปเวลาใครด่ามันก็จะรู้สึกเฉยๆนี่เพราะว่าเราไม่ชอบคำนี้เราจึงไม่อยากจะฟังมันไม่ชอบฟังว่าอีนั่นอีนี่นี่เราต้องหัดด่าเราอยู่เรื่อยๆอีนั่นอีนี่อยู่ในใจข อ, ของเราพอต่อไปใครมาว่าอีนั่นอีนี่ก็เอ้สบาย ฉันว่างฉันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเธ<ม>อหายไปไหนเพิ<ม>่งมาว่าเราตอนนี้<ม>นี่แหละคือวิธีกำจัดความไม่อยากต่ความอยากในสิ่งที่ไม่ต้องการท่านหลายเราต้องเผชิญกับมันให้ได้อยู่แบบคนแกด่ดูคนแกอ่อยู่ยังไงคนแก่ก็อยู่บ้านเฉยๆไปไหนมาไหนไม่ได้ตอนนี้เราไปไหนมาไหนได้เราหัดซ้อมอยู่แบบคนแก่ดูบ้าง หั อ, อยู่แบบคนเจ็บดูบ้างคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปเที่ยวไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปดูไปฟังอะไรไม่ได้เราก็หัดอยู่แบบคนเจ็บบ้างหัดอยู่แบบคนตายบ้างคนตายก็คือไม่มีย่าสนิทมิตรสหายไม่มีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองหัดอยู่แบบนี้ได้แล้วต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่เดือดร้อน ถ้าเราไม่อัดไว้ไม่ซ้อมไว้พอถึงเวลาเราจะทำใจไม่ได้ใจเราทำได้ทุกอย่างถ้าซ้อมไว้ก่อนถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนถึงเวลาทำใจไม่ได้ถึงเวลาต้องเสียคนที่รักไปจะทำใจไม่ได้แต่ถ้าซ้อมไว้ก่อนว่าคนที่รักเรานี้เขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอถึงเวลาเขาจากเราเราจะไม่เดือดร้อน เพราะเรารู้ไว้ล่วงหน้าแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์แล้วนี่แหละคือวิธีกาจัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต้องพะอัดอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบอัดอยู่กับสิ่งที่เราไม่อยากมีอยากเป็นพอเราอยู่ได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีที่เราจะรักษาความสงบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไดจากการนั่งสมาธิ ให้อยู่อย่างท้อทถาวรต่อไปกลายเป็นนิบบานังปละมังสุขขันขึ้นมาต่อไปต้องรักษาด้วยการทำลายความอยากทุกชนิดต่อสู้ขัดขืนไม่กระทาตามความอยากทุกชนิดแล้วเราก็จะหมดทุกหมดสุขหมดภัยหมดการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่แหละคือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามาดูแลรักษา ใจของพวกเราตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรักษาและได้นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราสามารถปฏิบัติตามได้เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันที่กับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลเราก็จะได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือรางวัลที่เราจะได้รับจากการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกางไปเรื่อยๆอย่าท้อถอยอย่าย่อหย่อนอย่าหยุดสักวันหนึ่งผลจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้